ทุติยปัญ น, นาตอาวิชาวัตหมดว่าด้วยอวิชชาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหละภิกษุรูปหนึ่งเข้าเฝ้าทูลถามว่าบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงละอวิชชาได้วิชชาจึงเกิดขึ้นอวิชชาหมายถึงความไม่รู้อริยสัจสี คือทุก์เหตุเกิดทุกความดับทุกขและทางปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกขส่วนวิชาหมายถึงความรู้แจ้งอรหัตตมัตสทรงตอบว่าบุคคลเมื่อรู้เห็นจักขู่โดยความไม่เที่ยงจึงละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นรูปโดยความไม่เที่ยงจึงละอวิชาได้ วิชาจึงจะเกิดขึ้นเมื่อรู้เห็นจากขูวิญญาณจากขู่สัมผัสรู้เห็นแม้เวทนาคือความสวยอารมณ์เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากขู่สัมผัสเป็นปัจจัยรู้สิ่งเหล่านั้นโดยความไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้นอายตนะภายในและอายตนะภายนอก คืออายตนะนั้นได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูปเสียงกลิ่นรสผลธพะและธรรมารมณ์และวิญญาณสัมผัสและเวทนาที่เกิดเมื่อรู้เห็นสิ่งทั้งปวงนั้นโดยความไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดขึ้น ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามว่าบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะละสังโยชน์ได้ทรงตอบว่าบุคคลเมื่อรู้เห็นอายตนะภายในคือตาเป็นต้นนั้นและอายตนะภายนอกคือรูปเป็นต้นนั้นรู้เห็นจากขวิญญาณจากขวสัมผัสแม้เวทนาความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ เพราะจากักขูสัมผัสเป็นปัจจัยรู้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยความไม่เที่ยงจึงจะละสังโยชน์ได้ทุลนถามว่าบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะถอนสังโยชน์ได้สรงตอบว่าบุคคลเมื่อรู้เห็นอายตนะภายในคือจกักขูเป็นต้นนั้นโดยความเป็นอนัตตา จึงจะถอนสังโยชน์ได้เมื่อรู้เห็นอายตนะภายนอกคือรูปเป็นต้นนั้นโดยความเป็นอนัตตาจากขูวิญญาณจากขูดสัมผัสแม้ความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากขูดสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยโดยความเป็นอนัตตาบุคคลเมื่อรู้เห็นสิ่งทั้งปวงด้วยความเป็นอนัตตาจึงจะถอนสังโยชน์ได้ และโดยนัยเดียวกันบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างไรจึงจะละอาสวะได้จึงละอนุสัยจึงถอนอนุสัยได้บุคคลเมื่อรู้เห็นสิ่งทั้งปวงคือจากขู่เป็นต้นนั้นโดยความไม่เที่ยงโดยความเป็นอนัตตาจึงละอาสวะละอนุสัยได้เมื่อรู้เห็นอย่างนี้แลจึงถอนอาสวะ จึงถอนอนุใสยได้ว่าด้วยธรรมะเพื่อกําหนดรู้อุปาทานทั้งปวงหมายถึงเพื่อรู้ชัดอุปาทานทั้งสี่คือกามุปาทานความยึดมั่นในกามทิฏฐุ ป, ปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิสินลปพตุปาทานความยึดมั่นในสินพระและอัตตวาทุปาทาน ความยึดมั่นในวาทะว่าอัตตาธรรมะเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวงเป็นอย่างไรคือเพราะอาศัยจากุกและรูปจากขูวิญญาณจึงเกิดความประจวบเพ่งธรรมะสามประการนี้เป็นผัสสะเพราะผัสสะคือการถูกต้องสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาความรู้สึกสุขทุกข ไม่สุขไม่ทุกข์จึงเกิดอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจกักขูในรูในจักขูวิญญาณในจักขูสัมผัสย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาเมื่อเบื่อนายย่อมคลายกำหนดเพราะคลายกำหนดจิตย่อมหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ชัดว่าเรากำหนดรู้อุปาทานได้แล้ว และโดยนัยยะเดียวกันโสตะและสัทธะคือหูและเสียงขานะและคันทะคือจมูกและกลิ่นชิวหาคือลิ้นแล้วรสกายและผลทพะความสัมผัสถูกต้องทางกายมโนคือใจและธรรมอารมณ์อารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจนึกเพราะอาศัยอายตนะภายในและอายตนะภายนอก วิญญาณจึงเกิดความประจวบแห่งธรรมะสามประการนี้เป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดอริยาสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ชัดว่าเรากำหนดรู้อุปาทานได้แล้วธรรมะเพื่อกำหนดรู้อุปาทานทั้งปวงเป็นอย่างนี้แล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 ข้อนั้นไม่ควรเลยอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อนายแม้ในจักขูแม้ในรูปแม้ในจักขูวิญญาณแม้ในจักขูสัมผัสย่อมเบื่อนายแม้ในเวทนาคือความสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจะักขูสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้นนั้นเมื่อเบื่อน่าย ย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าไม่มีกิดอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปธรรมะเพื่อครอบงามอุปาทานทั้งปวงเป็นอย่างนี้แหลมิฆาชาลวรชหมดว่าด้วยพระมิฆาชาละ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระมิกขะชาละเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าที่พระองค์ตรัสว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ภิกษุจึงชื่อว่ามีปกติอยู่ผู้เดียวอันหนึ่งด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่จึงชื่อว่ามีปกติอยู่กับเพื่อนทรงตอบว่า รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพ่อใจชวนให้รักชักให้ใกล้พ่าใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุเพลิดเพลินเชยชมยึดติดรูปนั้นอยู่ความเพลิดเพลินคือตัณหาย่อมเกิดขึ้นเมื่อมีความเพลิดเพลินก็มีความกำหนัดเมื่อมีความกำหนัดก็มีความเกี่ยวข้อง ภิกษุผู้ประกอบด้วยความเลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่กับเพื่อนและโดยในยะเดียวกันเสียงกลิ่นรสพุทธพะและธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาน่าใกล้ถ้าภิกษุเลิดเพลินเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่กับเพื่อน ภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ถึงจะใช้สอยเสนาสะนะที่เป็นป่าโปรงและป่าทึบอันส ง, งัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนสมควรเป็นที่หลีกเล่นก็จริงถึงอย่างนั้นเราก็ยังเรียกว่าเป็นผู้มีปกติอยู่กับเพื่อนข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเขายังละตันหาที่เป็นเพื่อนนั้นไม่ได้ฉะนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีปกติอยู่กับเพื่อนอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสพพะและธรรมารมณ์คือรูปเป็นต้นนั้นที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาหน้าใกล้หน้าพอใจ ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดรูปเป็นต้นนั้นอยู่ความเพลิดเพลินย่อมดับไปเมื่อไม่มีความเพลิดเพลินก็ไม่มีความกำหนัดเมื่อไม่มีความกำหนัดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความเกี่ยวข้องเราเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียว ภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้แม้จะอยู่รายล้อมไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระราชามาหาอัมมาตพวกดีรตีอยู่ในละแวะกบ้านก็จริงถึงอย่างนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอละตันหาที่เป็นเพื่อนนั้นได้แล้วฉะนั้น เราจึงเรียกว่าผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวท่านพระมิกาชาละกราบทูลขอทรงแสดงธรรมโดยย่ อ, อเพื่อจะได้หลีกไปปฏิบัติอยู่ผู้เดียวทรงตรัสว่ามิกาชาละรูปที่พึ่งรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใกล้น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พ่าใจให้กำหนัดมีอยู่ ถ้าภิกษุเอียงเพลิดเพลินเฉยชมยึดติดรูปนั้นอยู่เรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินเกิดทุกจึงเกิดอายตนะภายนอกหกรูปเป็นต้นนั้นที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาหน้าใกล้หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใกล้พาใจให้กำหนัดมีอยู่ถ้าภิกษุไม่เพลิดเพลินไม่เฉยชมไม่ยึดติดรูปเป็นต้นนั้นอยู่ ความเพลิดเพลินย่อมดับไปเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินดับทุกจึงดับครั้งนั้นท่านพระมิขาชละจากไปไม่นานหลีกออกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย ว่าด้วยพระสมิทธิทูลถามปัญหาเรื่องมาร น, นกรุงราชคฤห์ท่านพระสมิทธิเข้าเฝ้าทูลถามว่าที่พระองค์ตรัสว่ามารด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่จึงชื่อว่ามารหรือการบัญญัติว่ามารทรงตอบว่าจักขุรูปจักขุวิญญาณ ธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางจักขุวิญญาณมีอยู่ในที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็มีอยู่ในที่นั้นโสตสัทธะโสตวิญญาณคานะคันทะคานวิญญาณชิวหาระสะชิวหาวิญญาณกายปถะภะกายวิญญาณมโนธรรมรมณ์มโนวิญญาณ และธรรมาที่พึงรู้แจ้งทางวิญญาณ น, นั้นๆมีอยู่ที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็มีอยู่ในที่นั้นสมิ ธ, ธิส่วนจักขูรูปจักขูวิญญาณธรรมาที่พึงรู้แจ้งทางจักขูวิญญาณเป็นต้นนั้นไม่มีในที่ใดมานหรือการบัญญัติว่ามานก็ไม่มีในที่นั้น และโดยนัยะเดียวกันท่านพระสมิทธิ์ทูลถามว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงชื่อว่าสัตว์หรือการบัญญัติว่าสัตว์ด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงชื่อว่าทุกหรือการบัญญัติว่าทุกด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงชื่อว่าโลกหรือการบัญญัติว่าโลกโลกในที่นี้หมายถึงสภาพที่จะต้องแตกสลายไป ท่งตอบโดยนัยะเดียวกันกับเรื่องของมารคือการบัญญัติทั้งหมดนั้นจกขูบรูปจกขูวิญญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางจักขูวิญญาณเป็นต้นนั้นมีอยู่ในที่ใดคําว่าสัตว์ทุกข์และโลกก็มีอยู่ในที่นั้นการบัญญัติว่าสัตว์การบัญญัติว่าทุกข์การบัญญัติว่าโลกญญ ok ก็มีอยู่ในที่นั้น ส่วนจักขูรูปจักขูวิญญาณธรรมะที่พึงรู้แจ้งทางจักขูวิญญาณเป็นต้นนั้นไม่มีในที่ใดสัตว์ทุกข์และโลกหรือการบัญญัติว่าสัตว์ทุกข์และโลกก็ไม่มีในที่นั้นว่าด้วยพระอุปเสนะถูกผิดงู สมัยหนึ่งท่านพระสาวรีบุตรและท่านพระอุปเสนาพักอยู่ณเขตกรุงราชกุลสมัยนั้นงูตัวหนึ่งได้หล่นลงมาที่กายของท่านพระอุปเสนะครั้งนั้นท่านพระอุปเสนาได้รับพิดงูบอกภิกษุทั้งหลายให้ช่วยยกกายของท่านขึ้นเตียงแล้วหามออกไปข้างนอกก่อนที่กายนี้เซเรียรายในที่นี้เหมือนกรำแกลบ ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าพวกเรายังไม่เห็นกายของท่านอุปเสนเป็นอย่างอื่นหรืออินทรีย์ของท่านแปรผันไปเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมท่านจึงพูดเช่นนั้นข้อนี้ในอัธกถาอธิบายว่าเพราะท่านพระอุปเสนใช้กำลังชานกดข่มพิษของงูไว้ภายนอกจึงยังดูปกตินะครับ ท่านพระอุปเสนากล่าวว่าท่านสาวรีบุตรผู้ใดพึงมีความคิดว่าเราเป็นจักขุู่หรือจักขุู่เป็นเราเราเป็นมโนโหรือมโนเป็นเราอายตนะทั้งหกนั้นเป็นเราหรือเราเป็นอายตนะทั้งหกนั้นท่านสาวรีบุตรความที่กายของผู้นั้นเป็นอย่างอื่นหรือความที่อินทรีย์ของผู้นั้นแปรผัน พึงมีอย่างแน่นอนกระผมไม่มีความนึกคิดเลยว่าเราเป็นจักขู่หรือจักขู่เป็นเราเป็นต้นนั้นความที่กายของกระผมเป็นอย่างอื่นหรือความที่อินทรีย์ของกระผมแปรพันจะมีได้อย่างไรท่านพระสาวรีบุตรตอบว่าจริงอย่างนั้นท่านพระอุปเสนะได้ถอนอาหารการมะมังการ กิเลสที่นอนเนื่องคือความถือตัวได้เด็ดขาดนานมาแล้วฉะนั้นท่านพระอุปเสนาจึงไม่มีความคิดว่าเราเป็นจากขู่หรือจากขู่เป็นเราเป็นต้นนั้นต่อมาเมื่อเหล่าภิกษุได้ยกกายของท่านพระอุปเสนาขึ้นเตียงแล้วหามออกไปข้างนอกขณะนั้นกายของท่านพระอุปเสนาก็เรียรายในที่นั้นเอง เหมือนกำแกลบว่าด้วยพระอุปวานะทูลถามธรรมะที่พึงเห็นเองท่านพระอุปวานะเข้าเฝ้าทูลถามดังนี้ว่าที่พระองค์ตรัสว่าธรรมะเป็นธรรมที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองด้วยเหตุเพียงเท่าไร่ พระธรรมจึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนไม่ประกอบด้วยการหมายถึงให้ผลไม่จํากัดการคือไม่ขึ้นกับการเวลาให้ผลแก่ผู้ปฏิบัติทุกเวลาทุกโอกาส ปฏิบัติเมื่อใดก็ได้รับผลเมื่อนั้นทรงตอบว่าอุปวานะก็ภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาและเป็นผู้สวยรูปสวยความกำหนัดในรูปแล้วรู้ชัดถึงความกำหนัดในรูปในภายในซึ่งมีอยู่ว่าความกำหนัดในรูปในภายในของเรามีอยู่ การที่ภิกษุรู้ชัดอย่างนี้แลอุปวานะธรรมะจึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนและโดยในยะเดียวกันภิกษุได้ฟังเสียงทางหูได้ดมกลิ่นทางจมูกได้ลิ้มรสทางลิ้น ได้ถูกต้องโหตภพะทางกายได้รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วเป็นผู้สวยเสียงกลิ่นรสโหตภพะและธรรมอารมณ์นั้นสวยความกำหนัดในธรรมารมณ์เป็นต้นนั้นและรู้ชัดถึงความกำหนัดในธรรมารมณ์นั้นในภายในซึ่งมีอยู่ว่าความกำหนัดในเสียงกลิ่นรสโธภพะและธรรมารมณ์ ในภายในของเรามีอยู่ภิกษุรู้แจ้งความกําหนัดที่มีภายในตนนั่นแลธรรมะจึงชื่อว่าเป็นธรรมะที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองเป็นต้นนั้นและโดยในยักตรงข้ามกันส่วนภิกษุในธรรมวิในนี้เห็นรูปทางตาเป็นต้นนั้นและเป็นผู้สวยรูปแต่ไม่สวยความกําหนัดในรูป และรู้ชัดถึงความกำหนัดในรูปในภายในซึ่งไม่มีว่าความกำหนัดในรูปในภายในของเราไม่มีความรู้ชัดถึงความกำหนัดในรูปในภายในซึ่งไม่มีอย่างนี้แหละอุปวานะธรรมะจึงเป็นธรรมะที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองโดยในยะเดียวกันกับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรส ผลทะการถูกต้องสัมผัสทางกายธรรมอารมณ์อารมณ์สิ่งที่ใจคิดใจในึกก็เช่นเดียวกันภิกษุรู้ชัดถึงความกำหนัดในแต่ละประการ น, นั้นในภายในซึ่งไม่มีว่าความกำหนัดในภายในของเราไม่มีอย่างนี้แหละอุปวานะธรรมะจึงชื่อว่าเป็นธรรมะอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนว่าด้วยผัสสะยตนะอกประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุบางรูปไม่รู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษ และเครื่องสลัดออกจากผัสสะยตนะหกประการตามความเป็นจริงเธอชื่อว่าประพุทธรมอาจารย์ยังไม่จบเป็นผู้ไกลจากธรรมวินัยนี้ภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พินาศย่อยยับแล้วในศาสนานี้เพราะข้าพระองค์ไม่รู้ชัดถึงความเกิดความดับคุณโทษ และเครื่องสลัดออกจากแผดสายตาหกประการตามความเป็นจริงนั่นเลยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นจากขู่ว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราหรือไม่ทูนตอบว่าไม่ใช่อย่างนั้นดีแล้วภิกษุในข้อนี้ จักขุที่เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราจะเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี้แหละคือที่สุดแห่งทุกข์และด้ดยในยะาเดียวกันกับเรื่องของจักขุหรือตาในเรื่องของโสตะคือหูขานะคือจมูก ชิวหาคือลิ้นกายและมโนคือใจเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราข้อนี้จะเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงนี่แหละคือที่สุดแห่งทุกข์เธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร เธอพิจารณาเห็นจกักขูว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราหรือไม่ทูลตอบว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วภิกษุในข้อนี้จกักขูที่เธอ linkage, พิจารณาเห็นอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราจะเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง ด้วยการเห็นอย่างนี้ผาษายาติณะที่หนึ่งนี้จะเป็นอันเธอละได้แล้วเพื่อไม่ให้ผาษายาตนะนั้นเกิดอีกต่อไปและโดยนัยะเดียวกันเธอพิจารณาเห็นโสตคานะชิวหากายและมโนโว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา ข้อนั้นเป็นอันเธอเห็นดีแล้วด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงด้วยการเห็นอย่างนี้ผัสสายัตนะแต่ละประการนั้นจักเป็นอันเธอละได้แล้วเพื่อไม่ให้ผัสสายัตนะนั้นเกิดอีกต่อไปเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจักกุเป็นต้นนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยง